ธรรมะก็เคยตับเตือนกันมาพอสมควรแล้วผู้ที่เคยสรดับรับฟังก็ทราบดีในเมื่อการฟังต้องทำกายทำใจอย่างไร่ผู้ที่เคยสดับรับฟังมาก่อนก็ไม่ทราบไว้จะทำแบบไหนจึงจะได้ผลในการสรดับรับฟังขังตน้น ถึงอย่างไรก็ดีการฟังธรรมะมันก็ผิดแตก ต, ต, ต่างกับการฟังเรื่องของโลกพอเรื่องของธรรมะผู้แสดงก็มีเรื่องพระวินัยบังคับผู้ฟังหากไวถูกตามเรื่องของธรรมวนัยบัญญัต สแสดงปูดแสดงสแสดงไปก็เป็นโทษแังนั้นทั้งผู้ฟังทั้งผู้สแสดงจะต้องอยู่ในกรอบของธรรมดีหนจึงจะพูดกันได้สะดวกสบาย <c oughs> เราทุกคนเกิดมาในพุทธศาสนาชาวประเทศไทยส่วนใหญ่ ถือพระพุทธศาสนาแต่ปูยหย่าตายายกันมาไม่ใช่ถือเพียงวันสองวันถือมานมนานหลายพันปีมาแล้วแต่เรื่องของพุทธศาสนาโดยส่วนใหญ่ <c oughs> ที่ถือกันตามประเพณีไม่ค่อยจะเข้าใจเรื่องของศาสนาอย่างจริงจัง มักอยากจะกล่าวสูเรื่องของศาสนาว่าเป็นเื่องลาสมัยหรือทำให้สังคมม่จเจริญเท่าทีควนมักอยากจะคิดจะปรุงไปทำนองนั้นนี่หมายถึงผู้ที่ไม่ได้ศึกษาหลักของพุทธศาสนาจริงจังเพียงแต่ฟังเข้ามาหรือคิดสุ่มเดาเอาในเรื่องของตัวเองความคิด เลยมากอยากจะคิดศาสตร์เข้าใจว่าศาสนาเป็นเครื่องทวงความเจริญของโลกนี่เป็นความคิดของบุคคลบางคนแต่ไม่ได้คิดทั่วไปถ้าคิดทั่วไปแล้วเรื่องศิลาสมัยเรื่องที่ทวงความเจริญของประเทศชาติของโลก ไม่ควรที่จะนำมารักษาเอาไว้เพราะเป็นของี่เสียที่ไม่ดีนี่ยังมีผู้ประพฤติปฏิบัติตามหลักของศาสนารู้เห็นเป็นจริงว่าเรื่องของศาสนาไม่มีทางเสียหายแก่มนุษย์แก่สังคม และไม่เป็นของลาสมัยยังดีวิเศษอยู่จึงมีผู้เลื่อมใสผู้นับถือบูชาประปฏิบัติหากทุกคนเห็นไปอย่างเดียวกันศาสนาุก็จะต้องถูกเสียหายหรือหมดไปเป็นระยะนานแล้ว อันนี้เป็นแต่เพียงความเห็นของคนบางกลุ่มบางบางคนเท่านั้นแต่บางกลุ่มบางคนยังเข้าใจว่าพุทธศาสนาะเป็นของดีวิเศษอยู่ยังมีผู้รักษาผู้ประปฏิบัติาศาสนาไม่มีบุคคลผู้ใดบังคับบัญชาให้นับถือ ไม่มีอะไรที่จะบังคับกันแต่ก็มีผู้เลื่อมใสผู้เต็มใจนับถือเรื่องของพุทธศาสนาในประเทศไทยมีมากรูปของพุทธเจ้ามากม า, ายิ่งกว่ารูปของมนุษย์ทุกจำพวกไปเราจะเห็นได้ที่เขาทำกัน มาสักการบูชาในวัดในวาในสถานที่ต่างๆมีมากของมีค่ามหาสารก็อเอามาทำเป็นพระพุทธรูปอย่างทองคาเป็นต้นขอเอามาทำนอกจากนั้นเป็นเงินเป็นหน้าเป็นทองแดงทองเหลืองหรือโลหะต่างๆตลอดถึง ดินทั้งปูนไม้หินมากเหลือเกินปูดถึงรูปของพระพุทธเจ้าเพราะความเหลื่อมใสศรัท ธ, ธาของคนเหล่านั้นจึงสร้างขึ้นทำขึ้นเพื่อบูชาสักการะกราบว่าแทนองค์ของท่านมีปูดถึงรูปมีมากและธรรมะเหล่า มีมากอีกเหมือนกันไม่ใช่ย่อยย่อยธรรมะในทางพระพุทธศาสนาถ้าคิีมูลค่าก็นับไม่ถ้วนที่คนสร้างคนพิมพ์ขึ้นจะเป็นใบลานหรือเป็นหนังสือเล่มก็นับไม่ถ้วนเหลือที่ทรขึ้นพระเจ้าพระสงฆ์ที่ออกบวชในศ า, าสนานับถือบูชาก็จะงนมาก ไม่ใช่เื่อเ ห, เหมือนกันมีเรื่องของศาสนาเราเกิดมาในประเทศไทยจึงเห็นตั้งแต่วันเกิดเห็นวัดเห็นวาเห็นศาสนาเห็นท้าเห็นเจ้าน้าว่าเป็นผู้โชคดีประเทศต่างๆที่ไม่มีพระเจ้าพระสงฆ์มีจำนวนมากเขาถือลัทีิอื่นเรื่องอื่นของเขา หรือบางแห่งบางผนบางประเทศบางตำบลเขาก็อาจจะไม่ถือเรื่องศาสนากมมีคนในโลกมันมากมันจึงเป็นอย่างนี้เดี๋ยวย้อนมาพูดถึงเรื่องพุทธศาสนาที่เขาว่าลาสมัยหรือถ่วงความเจริญของโลกพุทธศาสนานั้นสอนพวกเราท่าน ตั้งแต่ปัจจุบันและชาติหน้าอย่างยิ่งพูดถึงประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าทรงแนะสอไม่ใช่สั่นสอนตั้งแต่จะให้หลับหูหลับตาภาวานาโดยถ่ายเดียวคนที่มุ่งหวังจะอยู่กับโลกเพื่อความเจริญในทางวัตถุมีอยู่มีกิงพระพุทธเจ้าก่าสอนประโยชน์ปัจจุบันให้ ผู้ที่มุ่งหวังตั้งใจว่าล้าโลกนี้ไป <c oughs> อยากมีความสุขความเจริญในชาติทางหน้าแต่ยังไม่อยากจะจากโลกไปเพราะพระพุทธเจ้าสอนให้ประโยชน์ชาติหน้าผู้ที่เบื่อหน่ายเพรากพระพุทธเจ้าสอนว่าต้องประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นจะไม่มีวันกลับมาเกิดตายอีก คำสอนของศาสนาเป็นคำสอนที่ละเอียดคำสอนที่ถวดถึงไม่ใช่คำสอนเหมือนศาสตรอื่นๆที่เขาสอนกันทั้งที่ทำได้อย่างที่ครูที่อาจารย์สอนก็ดีอยู่ในปัจจุบันทันตาอย่างเขาสอนกันทา ด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆแต่หากสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถที่จะขับไล่กิเลสภายในใจของตนให้ตกไปจะมีของดีวิเศษขนาดไหนเช่นยานพาหนะต่างๆที่เขาทำขึ้นในสมัยพุทธกาลไม่มีรถยนต์รถไฟเครื่องบินไม่มี สมัยนั้นตามพระวินยัยอิกอ่าวเอาไว้คนมีแต่เวียนเท่านั้นเป็นพาหนะมาเวียนชางเป็นพาหนะแต่สมัยนี้มีมากนัวบว่าทางด้านวิทยาศาสตร์จเจริญมากกว่าสมัยพุทธกาลคนเลยหลงว่าพุทธศาสนานั้นในสมัยก่อน ไม่เจริญอย่างนี้แต่ท่านเจริญทางด้านจิตใจไม่เจริญทางด้านวัตถุเหมือนพวกเราเห็นอยู่สมัยนี้ด้านวัตถุด้านของวัตถุถ่ายเดียวไม่สามารถที่จะยังความเจริญทางด้านจิตใจได้แนันศาสนะ แม้จะไม่จเจริญทางด้านวัตถุในสมัยพุทธกาลก็าตามแต่ก็ถามมาที่นี้พิจารณาตามหลักของธรรมะผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตัวค้องตัวจ ะ, จะเจริญด้านวัตถุได้ก็าตามก่ออาศัยธรรมะของพุทธเจ้าแต่เขาไม่ได้คิดว่าธรรมะของพุทธเจ้าไปแสกอยู่ใน วิชาที่เขาเรียนเขาทําความจริงธรรมะของพุทธเจ้าแฝกอยู่ทุกหนทุกแห่งแต่สมัยนั้นคนไม่ค่อยคิดอ่านการที่จะสร้างวัตถุอย่างนั้นอย่างนี้มากหนักหนาเหมือนสมัยปัจจุบันสมัยนี้คนคิดหาเรื่องต่างๆคิดขึ้นประดิษฐ์ขึ้นสร้างขึ้น ผิแดแปลแตกต่างกับสมัยนั้นแต่ด้านจิตใจเขาไม่ค่อยจะคิดนึกฝึกตัวเองจึงมีการลหลงไหลว่าศาสนา่วงความเจริญตามจริงประโยชน์ปัจจุบันที่ท่านเป่าสอนเอาไว้อุทธานสคปับปทาถึงความโดวยวามมั่นตามขยันจะทำการงานหน้าที่อะไรถ้าหาก เกียดค้าไม่เอาทานไม่หมัน่นไม่ขยันไม่ว่าการงานหน้าที่อะไรคนนั้นจะทำไม่สำเร็จจะเป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้นี่ธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้อยากจเจริญก้าวหน้าในปัจจุบันต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียรเพราะคนเราเกิดมาไม่ได้หอบหิวหาบหาม วัตถุอะไรมาจะไปเกิดอยู่ในประเทศใด <c oughs> สถานที่ใดคนเกิดมาเป็นหญิงเป็นชายก็มีแต่หนังหุ่มกระดูกมาเท่านั้นเ <c oughs> งินทองเข่าของเสือผ้าอะไรไม่เคยติดตัวมาไม่ว่าประเทศใดจะเป็นลูกของคนที่มีฐานะดีขนาดไหนคนฐานะต่ำขนาดไหนเหมือนกันหมดเมื่อเป็นเจ่นนั้นเกิดมาแล้วถ้าไม่มี การขวานขวายไม่มีความหมั่นขยันคนนั้นก็ไม่มีทางก้าวหน้าไม่มีจความเจริญไม่มีอยากมีกินพูดง่ายง่ายถ้ามันขยันทำธุระหน้าที่ของตนทำให้สำเร็จทำให้จริงจังมีความคือสัตว์สุจริตในหน้าที่การงานของตน เอาจริงเอาจังในการงานางนั้นนั้นไม่ปล่อยวางต่างหน้าต่างตาทำธุราณาิีคนนั้นถึงจะทำการงานตามๆอยากๆก่อตามคนนั้นจะมีอยู่มีกินไม่อดอยากทุกยากพอเป็นพอไปเพราออำนาจความหาามั่นความขยันของเขาพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นนี่คือ ประโยชน์ปัจจุบันข้อนหนึ่งซึ่งไม่เป็นเรื่องทวงความเจริญของโลกไม่ลาสมัยคนสมัยปัจจุบันถ้าหากความอ่านความขยันเป็นทาง่วงความเจริญของโลกเป็นของลาสมัยคนเหยียดค้านไม่เอาทานอะไรจะเป็นการศึกษาเราเรียนหรือการงานทุกด้านไม่เอาทานอย่างนั้นคน สมัยนี้ทั่วไปเขายินดีเขาสละเสริญไหมถ้าหากอยู่ในวงงานใดๆก็าตามมีแต่คนจำพวกนั้นงานอันนั้นจะสำเร็จนุ่วงไปได้ไหมจะเป็นอย่างไรตามเป็นอยู่ของครอบครัวของประเทศชาติหากมีแต่คนเหยียดค้านไม่อดตานในการงานอะไรทั้งหมดคิดดูให้ทั่วถึง อย่าพึงดูถูกว่าศาสนาคือลาสมัยทวงความเจริญของโลกอารักขาสำปทาเมื่อมันใยันแสวงหาสมบัติได้มาให้พร้อมด้วยการรักษาอย่าไปปล่อยป่าละเลยทิ่งคว่างโดยไม่มีการรักษาถ้าหากไปรักษานี่จะหามา ไม่มีการรักษาเอาไว้ปล่อยสิ่งขว่างไปมันกวาสิบหายถึงได้มามากสิ่งนั้นก็อาจสิบหายไปโดยง่ายได้เสียไปมากเหมือนกันฉะนั้นท่านจึงสอนให้รักษาให้มีการรักษายิ่งเป็นของมีค่ายิ่งรักษาดีไม่อย่างนั้นโจรมาหรือขโมยมันจะมาหยิบยก เอาไปหรือต้อนข่าเจ้าของทรัพย์ก็เป็นได้เพราะมันเห็นเลยเกิดเป็นเบนเป็นภัยแก่ตัวสมบัติของตัวข่าตัวเองเพราะการไม่รักษาไม่ระวังสังวรของขี่หามาได้นี่เป็นขอ้อทีสอนที่พระพุทธเจ้าสอนหรือหากข้อนี้คือล่าสมัยอีกคนที่ ไปที่ไหนมีอะไรสิ่งขวัางเลื่อยไปไม่มีการรักษาไม่มีการเก็บหอมรอมริบจะเป็นสมบติพัดสะานเสือผ่าเขาขอเงินทองสิ่งเจ ก, กะละลานคนอย่างนั้นทันสมัยดีวิเศษโลกนิยมชมชอบเพราะเขาไม่เก็บหอมรอมริบไม่รักษาอะไรอย่างนั้นหรือพี่เรนาดูให้ดีอย่าไปเข้าตัว ว่าทคําสั่งสอนของผูดด้ใจเจ้าเป็นของคลืล่ลาสมัยจริงหรือความคิดความเห็นของคนที่ว่าทำคลือ่อทำาสมัยเป็นเป็นผู้ผิดหรือทาผิดให้ที่จนาให้เห็นให้ประจักษ์ในจิตในใจของตัวไม่อย่างนั้นก็จะไม่ทราบได้ว่าทายังเป็นของดีมีคุณค่าหรือทาเป็นเครื่องลาสมัย ให้พิจารณาด้วยใจเป็นธรรมอย่ามีอคติให้เอ า, คว า, าความจริงเป็นเครื่องวัดนี่ธรรมข้อที่สองที่พระพุทธเ จ, จ้าสอนสามาชีวิตตาสมะชีวิตตาแ่างกล่าวว่าเป็นข้อที่สามสำหรับประโยชน์ปัจจุบันคือให้เลี้ยงชีวิตของตนพอสมควรแก่ฐานะ ตามทรัพย์ที่ตนหามาได้อย่าให้ฟืดเกลื่อนเกินไปหรือปุ่มเฟื่อยเกินไปให้สมควรในฐานะที่หามาได้ได้หาไปจ่ายสิบมันก็ไม่เกิดประโยชน์ให้ณวันที่จะอดจนล่ําไปทางเข้าทางออกให้สมดุลกันคือได้มากขอจ่ายไปตามฐานะพอสมควรให้มีเหลือพอสําคัญ เพราะคนเราเกิดมาไม่ใช่ว่าจะแข็งแกร่งอยู่เรื่อยไปเวลาเกิดทุกข์ภัยไข้เก็บขึ้นเข้าของเงินทองที่มีอยู่จะเป็นเกื้อลื่อนรักษานำสิ่งที่ต้องการมาให้เห็นเราทำไม่ได้การงานต่างๆแต่เรามีเงินสามารถที่จะไปซื้อ หาสิ่งของที่เราต้องการมาได้นี่สมะสีวิตาคือเรื่องชีวิตตามท้องควรเกีิญฐานะหน้าจีของตนถ้าหากไม่รู้เรื่องจะสมบัติของตนเรื่องหน้าจีของตนได้มาน้อยแต่จ่ายไปมากประตูเข้านิดเดียวประตูออกมากมันก็ไม่มี เหลือหรอนี่ใจจะเป็นนี่เป็นศิลป่วมทับตัวเขาไปจะได้รับความเดือดร้อนถ้าทางเข้าใหญ่แต่ทางออกไม่มีก็อีกแหละจะเป็นที่ดูหมิ่นนินทาของคนอื่นรู้จักแต่สแสวงหามาจกจะเลี้ยงชีวิตของตนให้เหมาะสมพอดีพองามไม่เป็นเขาถือว่าคนตนีขีดเหนียวต่างๆฉะนั้นการเลี้ยง ชีวิตของตัวพอเหมาะพอสมทันเรียกว่าสมะชีวิตตาทําข้อนี้คงไม่ผิดคงไม่ล้าสมัยคงจะเป็นอาจเป็นธรรมอยู่หากที่นี้พิจารณาประโยชน์ปัจจุบันเป็นข้อที่สามข้อที่สีต่อไปท่านว่ากัลา ย, ยานานิตตาให้ครบ ครอบเพื่อนฝูงจะเป็นหญิงก่าตามเป็นชายกาตามให้พบกัลยาณมิตรคือมิตรที่ดีมิตรที่มีสติมิตรที่มีปัญญาเสมอกันหรือเนื้อเห น, นือกว่าเมื่อเราเกิดทำอะไรขึ้นมาอยากจะปรึกษากับเขาพอจะปรึกษากับเขาได้เขาจะแนะแนวให้สิ่งที่ดีที่ควรไม่พบ มิดที่ชั่วที่เสียเป็นนักเลงต่างๆซึงนำให้ตัวข้องตัวทำชั่วชิดชั่วพูดชั่วไปตามเขาเพราะการครบมิตรเป็นสิ่งสำคัญอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนคนที่ควบมิตรชั่วเบื้องต้นมันก็ยังไม่รวมตัวไปแต่ น, นานๆเข้าอาจจะรวมตัวไป ถ้าให้กายให้ใจเสียหายไปตามมิตรพอมิตรจะชวนให้ทําอย่างนั้นให้พูดอย่างนี้หรือไม่อย่างนั้นเราไปคบมิตรที่ชั่วที่เสียอยู่ในกลุ่มในฝูงนั่นนั้นมันก็มีทางชั่วทางเสียเขาก็ดูถูกเินทาไอ้นี้เป็นนักเลงอย่างนั้นไอ้นี้เป็นนักเลงอย่างนี้เป็นทางไม่ดีแก่ตัวค่องตัวไป คนที่เหล่าเาก็พวกนี่ขี่เหล่าคนที่สินกันชาเขาก็ถือว่าไอ้นี้คนที่สินี่นกันชาต่างๆเป็นทางที่จะนำพาเสียชื่อเสียงและตัวเองถ้าหากไม่มีจิตใจมั่นคงแข็งแรงจริงจังก็อาจจะเสียไปตามมิตรเพราะมิตรจะชักชวน ให้ทำชั่วทาเสียทำมิตรชั่ว่ตนจึงให้เรียกคบหาแต่กัลยาณมิตรคือมิตรที่ดีคนที่มีมิตร ด, ดีจะเป็นสิริมงคลสิง ท, ที่เราทำชั่วทำเสียต่างๆเขามีสติเหนือกว่ามีปัญญาเหนือกว่าเราเขาจะสอนเราแนะเราไม่ให้ทาไม่ให้พูด ในสิ่งที่ชั่วทีเสียต่างๆพอเราจะผิดเขารู้จักเขาก็จะนัดเนี้ยให้เรารวมตัวไปในทางผิดทางชั่วทางเสียมิจึงเป็นเรื่องสำคัญข้อหนึ่งในปัจจุบันที่จะควรพบควรรักษาหาทางแนี้สอนตัวนี่ประโยชน์ปัจจุบันหากทุกคนสนใจและทำตาม คำแนะนำสัมสอนของพระพุทธเจ้ามีทางเสียหายที่ไหนที่จะควรกล่าวตูดูหมิ่นโจมตีว่าพุทธศาสนาสอนคนให้ชั่วชา้าเสียหายทําสังคมให้ด้อยให้ต่ำไปมีไหมคิดว่าหากเราพิจารณาเป็นธรรมแล้ว คำสอนของพระพุทธเจ้าในปัจจุบันกวาสามารถที่จะทำพวกเราท่านให้ได้รับความสุขตามฐานาหน้าที่พอสมควรเรื่องประโยชน์ชาติหน้าหรือประโยชน์อ ย, ชนอย่างยิ่งก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ที่หมดยิเลศตัญหาหมดมานะคิดถิหมดความอยากมีพระไตริสุ์พูดเชียงใด ไม่อาศัยตนและไม่อาศัยคนที่รักที่ชอบพูดไปตามคำสัตว์คำจริงตัดอะไรออกมาสิ่งนั้นเป็นจริงอย่างนั้นแต่ทำคำสอนของท่านมักผิดกิเลสของคนคนที่มีกิเลสมีตัณหามีความเห็นีก่ตัวมักจะตำหนิ นินทาคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าหากคนมีจิตใจสื่อสัตย์ฝึกจริตตรงต่อธรรมก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นพิษเป็นภัยคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าตั้งแต่สอนประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์ชาติหน้าหรือประโยชน์อย่างยิ่งคำสอนที่เป็นหลักศึกษาในทางศาสนาที่เรียกว่า สิกขาคือเป็นนาที่ผู้ที่นับถือศาสนาจะต้องศึกษาที่ารณาให้เข้าใจท่านกล่าวเอาไว้มีอยู่สามประการคือศีลเป็นข้อต้นสมาธิเป็นข้อกลางปัญญาเป็นข้อสุดนี่เป็นไตรสิกขาเป็นที่ศึกษาของผู้นับถือพระพุทธศาสนา เรามาแพ่งที่นี้ที่เจรนาดูเรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนว่าคลล่าสมัยหรือไม่ศีลไม่ต้องพูดไปถึงศีลละเอียดศีลพิกษุศีลสามเณรพูดถึงศีลพืนพ้นๆที่พระพุทธเจ้าสอนว่ามนุษย์ทุกคนควรรักษามนุษย์ทุกคนควรสังวรละวังตั้งหน้าทําตาม ศช่นห้าปาณาจิบาตห้ามข่ากันห้ามตีกันห้ามเหบียดเบียนกันจะเป็นสัตว์ก็ตามเป็นมนุษย์ก็ตามสิ่งที่มีชีวิตท่านห้ามทำปาณาจิบาตนี้เป็นข้อตน้นสีบในศินห้าที่พระพุทธเจ้ า, จาสอนถ้าหาก คนเราประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นจะเป็นอย่างไรไม่ข่ากันเบียดเบียนกันไม่รบราข้าฝันกันประเทศชาติก็ดีครอบครัวก็ดีบ้านเมืองก็ดีโลกก็ดีจะเป็นอย่างไรคนที่ไม่ข่ากันเบียดเบียนกัน จะไปมีตำรวจทหารอาวุธยุทธภัณฑ์ทำไมเพราะทุกคนไม่มีการเบียดเบียนกันฆ่ากันโลกอันนี้มัน็อยู่ดีเป็นสุขเพราะไม่เบียดเบียนกนารฆ่ากันหรือการฆ่ากันตีกันเป็นทางที่จเจริญเป็นทางที่นำความสุขมาให้ถ้าอย่างนั้นเขามาฆ่าเราตีเราเราชอบไหมถ้าเราไม่ชอบ คนอื่นสัตว์อื่นที่เราไปฆ่าไปเบียดเบียนเขาก็ทําทนองเดียวกันกันกบเราที่เขามาเบียดเบียนพระพุทธเจ้าให้ชิดให้พิพพจารณาอย่างนี้จึงจะมีความยินดีในการรักษาศีลถ้าหากคิดได้ปรับปรุงใจของตัวให้เป็นไปตามแนวของศีลที่พระพุทธเจ้าเนี้ยสอนไม่เบียดเบียนกันไม่ฆ่ากันใน ขอตนปานาที่บารมันก็สงบมันก็สบายโลกอันนี้มีความสุขคนที่เบียดเบียนข่าตีกันกับคนที่อยู่ด้วยกันมีเมตตาปลานีต่อกันคนสองคนนี้คนใดเป็นคนดีคนใดเป็นคนชั่วกันแน่ในพี่เจรนา ด้วยจิตด้วยใจเป็นธรรมดูถ้าหากว่าการข่ากันตีกันเป็นทางดีเป็นทางเจริญเป็นทางนำความสุขมาให้ก็ลองลองดูเราอยู่ด้วยกันเดี๋ยวนี้ที่ไม่ข่าไม่ตีกันเราอยู่เป็นสุขมีคนหนึ่งลุกขึ้นถือมีดถือไม้ข่าตีเราจะนั่งอยู่ดีๆอย่างนี้ได้ไหมเยอะโดดลงสลาหนีแถานั้น เพราะเหตุใดเพราะกลัวตายสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันแล้วคนที่ทำแบบนั้นทันสมัยล่าสมัยเป็นคนดีวิเศษหรือคนชั่วคนเสียให้พิจารณาหาทางสอนใจของตนให้ใจเป็นอัดเป็นทำอย่าไปถือตามลมปากเข้าว่าดีกว่าดีไปแต่สิ่งนั้นมีเหตุผลอย่างไรไม่ค่อยคิดอ่าน ว่าที่สองอธินาทานการลักการขโมยการต้นที่ของคนอื่นโดยเจ้าของเขาไม่อนุ ญ, ญาตไม่ให้ข้อนี้เป็นอย่างไรลาสมัยหรือคือสมัยหรือ <c oughs> ทันสมัยคนที่ประพฤติตัวตัวบาปไม่ รักไม่ขโมยของใครเห็นของตกหลน่นควรจะเก็บไว้ให้เจ้าของเขาเก็บไว้ไม่ควรจะเก็บจะเดินผ่านไปก็ผ่านไปไม่มีการรักไม่มีการขโมยไม่มีการจีการต้นเห็นสมบัติของเราเป็นอย่างไรเราสงวนรักษาอย่างไร ของเขาเหล่านั้นเขาก็มีจิตมีใจรักสังวรของเขาเหมือนกันไม่กล้าที่จะไปทําไปรักไปขโมยอย่างนั้นกับคนที่ไม่ทําการทํางานอะไรกลางวันนอนกลางคืนมาหาจินคือไปรักไปขโมยของเขาไปจีบไปปล้นเขาแต่การงานด้านอื่นไม่เอาหาแต่ ทำทางที่ต้นชอบคือลักเขาขโมยเขามันง่ายมันสบายป่นจีเขามันง่ายแต่ไปทำการทำงานกว่าจะได้ลำบากความคิดจเจริญหรือจะเสื่อมหากทำคำสอนของพระพุทธเจ้าลาสมัยเป็นเครื่องทวงความจเจริญของสังคมจริงจัง คนทำกันแบบนั้นไม่มีการงานด้านอื่นหละมีแต่จ ะ, จะลักจากขโมยเขาลักขโมยไม่ได้จะต้อตงป้นต้องจี้เอาถ้าเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างไรจ ะ, จะเจริญหรือจะเสื่อมให้คิดดูให้เข้าจิตเข้าใจในตัวเองจึงจะรู้ว่าสิ้นธรรมคำสอนของภูมิใจเจ้าเป็นของที่ดีหรือ ชั่วอย่างไรตัดสินใจด้วยตัวเองอย่าไปเชื่อลมปากของคนอื่นพิจารณาเหตุผลที่พระพุทธเจ้าสอนกับเรื่องกิเลสตัณหาเรื่องความรู้ความเห็นของคนที่มีกิเลสตัณหาคิดกับความเห็นความเป็นของพระพุทธเจ้าที่มีพระทัยบริสุทธิ์ตัดออกมาใช้มันถูก กันแน่เราจึงควรจะหยิบเอาสิ่งที่ถูกที่ควรมาประพฤติปฏิบัติต่อไปกาเมธมิชฌาจารย์ข้อที่3ามซึ่งเป็นธรรมที่ควรศึกษาเบื้องต้นที่พระพุทธเจ้าสอนคนเราถึงจะมีฐานะหน้าที่มีเข้าของเงินทองสมบูรณ มไม่มีโรคไข้ไข้เจ็บเบียดเบียนเรื่องของกายเรื่องของกาเมสมิชฌาจารการไม่มีขอบเขตในวงสามีภรรยาในครอบครัวทำความเดือดร้อนแพลเถาให้คนเราฆ่ากันยิงกันแทงกันตายมีจำนวนมากเพราะเหตุใดเพราะ เรื่องการเมตุมิจฉาจาร์ขอนี้เป็นหัวข้อสำคัญที่จะนำความสุขของครอบครัว น, นั้นให้เกิดขึ้นและนำความเดือดร้อนของครอบครัว น, นั้นให้แตกสลายเราพิจารณาดูง่ายๆเห็นคนที่รู้จักเข้าใจทั้งรักให้แต่งงานกัน ถูกต้องตามกฎหมายพอสาวป่าสามีใดมีอะไรภายนอกอติเลขเกิดขึ้นภรรายานั้นถึงจะมีอยากมีกินมีใช้มีสอยไม่มีโรคไครเบียดเบียนกายแต่ใจเดือดร้อนใจแผดเผาสามารถที่จะฆ่าสามีของตัวได้ทั้ง ท, ง ท, งที่ไม่เคยคิดมาก่อน เพราะเสียใจเพราะไม่ยินดีสามีก็เหมือนกันหากภรรยาไปเป็นอย่างนั้นก็ข่ากันได้ในครอบครัวเมื่อมีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นจึงไม่มีความสุขไม่มีความสบายเพราะทั้งสองมุ่งมั่นจะรักกันตลอดวันตายไม่มีการจะเบื่อหน่าย หรือนอกใจกันความคิดในจิตในใจเป็นอย่างนั้นจึงยอมแต่งงานไม่ใช่ว่าแต่งงานไปแล้วเขาอยากทำอย่างไรเขาทำไปตามใจเขาชอบเราอนุญาตไม่ได้คิดแบบนั้นทุกท่านทุกคนไปเหตุ น, นั้นจึงมีการทะเลาะบอแวงมีการข่าตีกันเพราะความหึงหวงในสามีของตนภรรยาของตน ถ้าหากครอบครัวที่ไม่มีเรื่องเหล่านี้ถึงเขาจะอดอยากทุกยากก็มีความจงรักภักดีต่อกันมีความสามัคคีกันอาหารการกินจะไม่เป็นของดีวิเศษก็อรดอร่อยที่นั่งที่นอนจะไม่สวยงามหรูหราก็นอนหลับตาหลับใจสบายแต่ถ้าหากมีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้น อาหารจะดีขนาดไหนมันก็ทานไม่ได้ที่นอนที่นั่งจะนุ่มนิ่มขนาดไหนมันก็ไม่สุขกายสุขใจให้เพราะเหตุใดเพราะใจมันร้อนมันเผาพอไปซาบข้าวเท่านั้นใจมันเป็นอื่นไปแล้วมันไม่ยินดีอะไรมีใจอยากจะข่าจะตีจะด่จะดาจ้าว่ามันเป็นอย่างนั้นปู่ทุชนธรรมดาเพราะใจยัง มีเกลียตันหาใจยังหึงยังหวงนี่มันเป็นเรื่องสำคัญอันหนึ่งพระพุทธเจ้าเห็นใครเห็นเบนเห็นสิ่งที่จะเป็นศัตรตูต่อครอบครัวอย่างนั้นท่านจึงสอนให้รักษากาเมสุมิชาจานไม่ใหตประพฤติล่วงเกินซึ่งกันและกันหรือหากคนล่วงเกินอย่างนั้นประเทศไทยสมัยนี้นักศึกษาสมัยนี้ ผู้ดีปัญญาชนสมัยนี้เขานิยมชมชอบลูกเขาสัวาเขามียเขาไปประพฤติอย่างนั้นดีวิเศษสรรเสริญสมเชยมีไหมถ้าหากว่าศาสนาลาสมัยคำสอนลาสมัยทำไมจึงไปจำนี่คนที่ทำแบบนั้นพิจารณากันให้ทีท่วนอย่าไปกล่าวตู่ดูถูกเฉยเฉยถ้าหากมันดีลองทำไป ใครเขาสรรเสริญใครเขายินดีคิดในถั่วถึงเรื่องำคำคําสอนของพระพุทธเจ้าตัวมุสาวาตการกล่าวเทศละ่ะเราชอบไหมของไหม่ดีบ้างของดีของไหม่มีบ้างของมีของมีงมบ้างใหม่มีคนถี่โกหกโกลมอย่างนั้นเราชอบไหม ถ้าเขามาหลอกลวงต่มตุนเราอย่างนั้นเราดีใจไหมหรือเราเสียใจเราไปทำกับเขาเขา้าเขาจะเป็นอย่างไรก็ทำนองเดียวกันให้คิดถึงอกเขาคิดถึงอกเราว่ามีสิทธิ์ทีสรีเสมอกันไม่ควรจะไปหลอกลวงต่อุนกันสิ่งที่ไม่จริงว่าจริงสิ่งที่ไม่ดีว่าดีสิ่งที่ดีว่าชั่วว่าเสียนั่นคือคำโกโหก เป็นคำที่พระพุทดธดเจ้าตาหนิว่าเป็นของไม่ดีพูดที่เห็นว่าไม่ดีอย่างนั้นจึงจะรักษาศีลเวทีสี่คือมุสาวาดได้ไม่สามารถที่จะไปทาไม่สามารถที่จะไปพูดอย่างนั้นคนถากพูดตามที่เห็นพูดตามจริงที่จริงใครเล่าเขาจะไปตาหนิ นินทาโลกอันนี้จะดีจะเจริญหรือจะเสื่อมเพราะคนเห็นอย่างไรพูดอย่างนั้นทําอย่างไรพูดอย่างนั้นเป็นอย่างไรพูดอย่างนั้นนี่มันเป็นทางดีหรือทางชั่วกว็พอจะพิจารณาได้ว่าศีลข่ออั น, นขี่นี้ก็มีทางที่จะนําโลกให้เจริญนําคนให้มีความสุขที่ห้าสุลาเมรยัย อันนี้ก็สำคัญอันหนึ่งสมัยปัจจุบันถือกันไม่กินเหล้าเขาสังคมไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้สังคมที่เหล้ามันดีที่ไหนคนเมาเหล้าหนักเขาจริงจังเป็นอย่างไรพูดหน้าเลื่อมใสหน่ายินดีไหมทีนี้พิจารณาอะไรแจมแจ้งชัดเจนไหมจิริยามลรยาตที่เขาเดินไปเป็นอย่างไรเขาพูดออกมาเป็นอย่างไรเพราะใจขาดสติ ความือนเมาในจิตในใจมันมอนเมาอยู่แล้วพอไปดื่มหน้าเมาเข้าก็เพิ่มดีกรีขึ้นอีกก็เลยเสียหายไปถ่านจริงสอนไม่ดื่มสอนให้สังวรระาวางังหรือโลกอันนี้ถ้าหากต่างคนต่างที่เล่าพระเจ้าจพระสงฆ์ครูอาจารย์ที่เล่าลูกศิษย์อาจารย์ที่เล่า มีคนที่เล่าหัวคนที่เล่าเราชอบไหมคำพูดอย่างนี้ถ้าเราไม่ชอบก็อย่าไปทําถ้าทําไปผลมันจะตามมานี่ศีลหาข้อที่ว่ามาคือล่าสมัยหรือไม่เบื้องต้นศิกขาี่กรศึกษาคือศีลข้อ ต่อไปสมาธิสมาธิหมายถึงการฝึกจิตอบรมใจของตนให้ตั้งมัน่นไม่เอียงเอียงหรือหลงไหลไปอยู่ไปตามสัญญาอารมณ์หรือลมปากของคนเองอ่ะคนที่มีจิตหนักแน่นตั้งมัน่นทำอะไรทำจริงทำจังไม่หวั่นไหวตั้งหน้า จะทำอะไรทำอันนั้นอย่างจริงจังทำงานอะไรก็สำเร็จลุล่วงไปกับคนที่ไม่มีจิตตั้งมัน่นไม่มีสมาธิในใจพอรักไข่ไรเข้าก็หอบของวิ่งตามพอเบื่อหน่ายก็โดดบ้านหนีคนแบบนั้นทำงานอะไรอยากทำก็ไปทำ พอเห็นงานยุ่งยากลำบากนิดหน่อยก็ปล่อยมือวิ่งหนีเขาคนนี้โลกนิยมว่าเป็นคนดีวีเศษหรือหาเทาตำหนินินทาว่าคนไม่มีหลักจิตหลักใจไม่มั่นคงในการงานหรือเขาสรรเสริญเราเองถ้าหากได้ลูกแบบนั้นหรือได้เพื่อนฝูงแบบนั้น ได้สามีแบบนั้นภรรยาแบบนั้นเราชอบไหมเต็มใจไหมคนที่ไม่มีหลักใจอะไรเขาพูดอะไรก็กคอยแต่จะหลงจะลอยไปตามเรื่องต่างๆโดยไม่ได้มีความตั้งมั่นในจิตในใจอะไรสักอย่างความหนักแน่นไม่มีอารมณ์ขึ้นในจิตของตัวก็พัดตีวไปห้ไปตามเรื่องของลมนันนั้น ค น, คนอื่นพูดมาเข้าหูใจก็ปลิวไปตามลมปากของเ ข, เขาเขาว่าดีก็ลืมเนื้อลืมตัวเขาว่าชั่วก็เสียจิตเชียใจเจ้าจุงง้อยเงาเศร้าโศกคนแบบนั้นเป็นคนดีวิเศษไหมคนที่ไม่มีหลักกินหลักใจหนักเนี่ยสมัยก่อนที่พระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าสอนให้มีสมาธิ ให้มีความหนักแน่นให้มีความตั้งมั่นจะทำอะไรให้ทำการจริงจังจึงจะเกิดผลเกิดประโยชน์ให้หากคนที่ไม่มีหลักตั้งมั่นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าว่าเป็นทางไม่ดีทางชั่วทางเสียแล้วปัจจุบันทุกวันนี้เขานิยมกันแบบไหนจึงจำหนิบํำสอนของพระพุทธเจ้าถือล่าสมัยท่วงความเจริญของโลก นี่ก็เป็นทางที่พวกเราจะพิจิตรเจรานาสําหรับทุกท่านพออยู่ในโลกจะต้องพิจเจนาแก้ไขตัวของตัวเรื่องของโลกเราจะแก้ไขให้มันลาบไปหมดทุกคนมันแก้ไขได้แก้ไขไม่ได้ถ้าแก้ไขตัวของตัวได้มันสะดวกสบายปัญญาข้อที่สามที่พระพุทธเจ้าสอน ทำหลอกลวงตามเป็นจริทงทุทกสิ่งทุกอย่าง